ควรศึกษายิ่งขึ้นไปเพื่อความเข้าใจหลักกรรมให้ชัดเจนข้อสกรรมชำระล้างได้อย่างไรในโลนกัสูตรอังคุตระนิกายติกนิบาศมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทํากรรมไว้อย่างไรอย่างไรเขาย่อมได้เสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้ การครองชีวิตประเสริฐหรือประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้คือไม่มีประโยชน์อะไรเป็นอันมองไม่เห็นช่องทางที่จะทําความสิ้นทุกข์ให้สําเร็จได้เลยแต่ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทํากรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอย่างไรอย่างไรเขาย่อมได้เสเวยวิบากของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้การครองชีวิตประเสริฐหรือประพฤติพรหมจรรย์ จึงมีได้คือสำเร็จประโยชน์เป็นอันเห็นช่องทางที่จะทำความสิ้นทุกข์ให้สำเร็จได้ภิกษุทั้งหลายสำหรับบางคนกรรมชั่วที่ทำไว้เพียงเล็กน้อยก็นำเขาไปนรกได้แต่สำหรับบางคนกรรมชั่วที่ทำไว้เล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละให้ผลแค่ในปัจจุบันทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วยปรากฏแต่ที่มากๆเท่านั้นคนประเภทไหน กำชั่วที่ทำไว้เพียงเล็กน้อยก็นำเขาไปนรกได้กล่าวคือคนบางคนไม่ได้เจริญกายไม่ได้เจริญศีลไม่ได้เจริญจิตไม่ได้เจริญปัญญาใจจ้อยด้อยคุณดังเป็นคนตัวเล็กๆมีปกติอยู่เป็นทุกข์กับเรื่องนิดๆหน่อยๆบุคคลประเภทนี้กรำชั่วที่ทำไว้เพียงเล็กน้อยก็นำเข้าไปนรกได้เหมือนใส่ก้อนเกลือในขันน้ำน้อย คนประเภทไหนกรรมชั่วที่ทําไว้เล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละให้ผลแค่ในปัจจุบันทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วยปรากฏแต่ที่มากๆเท่านั้นกล่าวคือคนบางคนได้เจริญกายเจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาผู้ไม่ใช่เล็กน้อยเป็นมหาตมะมีธรรมที่ใจอยู่อันประมาณไม่ได้สําหรับบุคคลประเภทนี้ กรรมชั่วที่ทำไม่เล็กน้อยเช่นเดียวกันนั้นแหละให้ผลแค่ในปัจจุบันทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วยปรากฏแต่ที่มากมากเท่านั้นเหมือนใส่ก้อนเกลือในแม่น้ำข้อความว่าทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วยปรากฏแต่ที่มากมากเท่านั้นมาจากบาลีว่านานุปิขาญติพระหุกเทวะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าทั้งส่วนที่น้อยก็ไม่ปรากฏเป็นมาก แต่ถ้าแปลตามอัตถกถาจะได้ความอีกอย่างว่าทั้งกรรมที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏผลต่อไปกรรมที่มากเท่านั้นจึงจะปรากฏผลต่อไปในอสังขาสูตรอังคุตต ร, รนิกายติกนิบาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับนายบ้านนามว่าอาสิพันธกบุตรซึ่งเป็นสาวกของนิครนว่าดูกระในขามณีาศาสสดาบางท่าน มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอาบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่ลักทรัพย์ต้องไปอาบายตกนรกทั้งหมดผู้ประพฤติการเมสุมิจฉาจาร์ต้องไปอาบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่พูดเท็จต้องไปอาบายตกนรกทั้งหมดสาวกที่เลื่อมใสในศาสดานั้นคิดว่าศาสดาของเรามีวาทะมีทิฏฐิว่า ผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดเขาจึงได้ทิฏฐิขึ้นมาว่าสัตว์ที่เราฆ่าไปแล้วก็มีเราก็ต้องไปอบายตกนรกด้วยเขาไม่ละวาจานั้นไม่เลิกความคิดนั้นไม่สละทิฏฐินั้นเสียก็ย่อมอยู่ในนรกเหมือนถูกจับมาใส่ไว้ส่วนตถาคตอรหันตสั ม, มาสมพุทธเจ้าเสด็จอุบัตในโลก พระองค์ทรงตําหนิติเตียนปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชฉาจารมุสาวาตโดยอเนกปริยายและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นเสเถิดจากปานาติบาตจากอธินนาทานจากกาเมสุมิชฉาจารจากมุสาวาตสาวกมีความเลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนป่านาธิบาเป็นต้นโดยอเนกปริยายและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นเสถิด จ, จากป่านาธิบาเป็นต้นนั้นก็สัตว์ที่เราฆ่าเสียแล้วมีมากถึงขนาดนั้นขนาดนั้นการที่เราฆ่าสัตว์ไปเสียมากๆถึงขนาดนั้นขนาดนั้นไม่ดีไม่งามเลยเราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนใจในเพราะการกระทํานั้นเป็นปัจจัยแท้และเราก็จักไม่ชื่อว่าไม่ได้กระทํากรรมชั่ว เขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปานาติบาตนั้นเสียและเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตต่อไปด้วยเป็นอันว่าเขาละกรรมชั่วนั้นได้ด้วยการกระทำอย่างนี้เขาละปานาติบาตงดเว้นจากปานาติบาตละอธินนาทานงดเว้นจากอธินนาทานละกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารละมุสาวาต งดเว้นจากมุสาวาและปิสุนาวาจางดเว้นจากปิสุนาวาจาละพารุสวาจางดเว้นจากพารุสวาจาละสัมผับปลาปะงดเว้นจากสัมผับปลาปะและอภิชาไม่มีความละโมบและความคิดเบียดเบียนคือพยาบาทไม่มีจิตพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดและเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เขาผู้เป็นอริยสาวกมีใจปราศจากอภิชาความละโมกปราศจากพยาบาทความคิดเบียดเบียนไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติมั่นอยู่ด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาปกแผ่ไปทิศหนึ่งทิศสองทิศสามทิศสี่ครบถ้วนทั้งสูงต่ำกว้างขวางทั่วทั้งโลกทั่วสัตว์ทุกเหลา่าในที่ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบู์ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณไร้เวรไร้พยาบาทเมื่อเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์ทำให้มากอย่างนี้กรรมใดที่ทำไว้พอประมาณกรรมนั้นจักไม่เหลือจะไม่คงอยู่ในเมตตาเจโตวิมุตตนั้นพุทธพจน์ในข้อสามนี้นำมาแสดงไว้เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องการให้ผลของกรรมให้มีการศึกษาโดยละเอียด